ศาสนาแผ่นที่76ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงคำในวันที่20กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่ามงคลของใจ ว, วันนี้เป็นวันที่ยี่สบกันยายนพุทธศักราช25ั้าห้าสบดวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบละวันพระนาเป็นวันส5บห้าคำขึ้นส5บห้าคำเดือนสิบเป็นวันทาบุญฉลากกพัดตามแนวแถวทางอีสานเหนือของพวกเรา วันนันเป็นวันทำบุญใหญ่ในท้องถิ่นเหมือนกับวันเป็นเป็นวันศาสตร์ลักษณะอย่างงั้นแหละของจีนนะอันนี้แต่ว่าเป็นวันของพี่น้องชาวอีสานเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์ุณในวันเดือนสิบแผ่นวันหนึ่งแต่ว่าทำบุญฉลากกรพัดวันวันนั้นพระสงฆ์ก็คงบินทบาท รอบซาลาใหญ่เหมือนกับคราวที่แล้วจะไม่ได้บินทบบาทในหมู่บ้านขอให้พระสงฆ์พระเกี่ยวข้องกับแจ้งข่าวไปทางพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นที่พวกเราบินทบบาทให้มาใส่บาตรมาทบุญในวันนั้นวันเดือนสิบเพนเป็นการแจ้งข่าวให้ทราบทวนหน้ากันและก็วันพระอย่าง วันนี้ทุกวันที่วัดของเราเป็นวัน8คำ่ำสิบ้าค่าพระสงฆ์จะมีการสวดมนต์อย่างวันนี้แล้วกัการสวดมากน้อยกระสุดแท้แต่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานําเป็นผู้กล่าวแต่ก็คงไม่มากไม่เหมือนวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะสวดเป็นกรณีพิเศษอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง แล้วก็เป็นการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระในหลักของพุทธศาสนาเนี่ก็เป็นการกล่าวาตักเตือนลวกกล่าวพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวได้สอนให้กับพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทในยุคสมัยนั้นอย่างมงคล38อย่างนี้เป็นมาอย่างไร มีคนคนหนึ่งเที่ยววันนักษัตย์เป็นวันนกษัตย์คือพรนปีใหม่ลักษณะอย่างน้นักพอไปแล้วก็กล่าวขึ้นว่าขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าขอความเป็นสิริมงคลอันดีงามอันสูงสุดจงเกิดกับข้าพเจ้าพอพูดท่านก็จบ เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นี้คนทั้งหลายก็มาถกเถียงกันเอ๊ะคาว่าสิริมงคลน่อะไรเป็นสิริมงคลอันดีงามสำหรับมวลมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เขาก็แชร์กันคาว่าสิริมงคลคืออะไรคนหนึ่งบอกว่ า, วาตาเห็นรูปสวยๆ ง, งามๆนั่นแหละเป็นสิริเป็นมงคลสาหรับ ของเราเป็นที่พอใจทุกอย่างที่เห็นของสวยงามคนหนึ่งก็ว่าหูจมูกลิ้นกายกันว่ากันไปเด็ดนอนสัมผัสที่นอนนุ่มต่างคนก็ต่างมีความเห็นแปลกแตกต่างกันแต่ผู้คัดค้านขึ้นมาก็มีผู้คัดค้านหัวตาไปเห็นรูปเป็นของเป็นสวยงามเป็นสิริมงคลมันไม่ใช่จะเป็นเป็นสิริมงคลอย่างเดียวทำมาเขาไปเห็น ถามเขาทำอากับกิริยาที่ไม่พึงพอใจล่ะเ อ, อทำปากปิดปากเบี้ยวทำอากับกิริยากำหมัดกำมวยใส่เราเถมน้ำลายต่อหน้า เ, เป็นการดูถูกเกลียดหยามเราเนะ่าเราก็เห็นมันจะเป็นมงคลได้ยังไงไม่ได้เ อ, อจะเป็นมงคลท่าเดียวไม่ได้แต่นคนที่ว่าทางหูนั่นแหละที่ได้ยินเสียงเพราะเพราะ เสียงวาจาที่เพราะเป็นมงคลนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดคนหนึ่งไม่ใช่ที่เขาด่าละ่ะขึ้นมาเราได้ยินเสียงเขาดา่าแล้วมันเข้าหูเราเหมือนกันเราก็กระเทือนใจเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะสุขอย่างเดียวเมื่อเขาดา่ามันจะทกใจก็เลยมีการถกเถียงกันในมวลมนุษย์ชาตินะหาที่ลงไม่ได้แต่ในพวกเทวดาทั้งหลายได้ยินมนุษย์อสนธนากัน ไม่ลงกันาหาจุดจบหาจุดลงไม่ได้เทวดาเอามันใช่วะมนุษย์พูดกันเนมมันเข้ามันหาจากนั้นจริงๆว่งวะเทวดาก็ถามเทวดาอีกเทวดาก็แก้ปัญหาไม่ได้จนทึ่งจนถามจนขึ้นไปถุนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือชั้นพระอินทร์ พระเอ็นไปถามพระเอ็นพระ อ, อ็นก็แก้ไม่ได้เป็นชิลิมงคลจำจำหรับตนเองเนี่ยอเป็นมงคลอันยอดเยี่ยมสําหรับตนเองเนี่ยคืออะไรเนี่ยพระเอ็นก็ตอบไม่ได้อีกอะเดี๋ยวเราจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์สยามภูรู้แจงโลกพระพุทธเจ้าเท่านั้นะจึงจะตอบพวกเราได้เรื่องอย่างนี้แล้วก็พาเทวดาลงมา มาเฝ้าตอนกลางคืนดึกสงัดนะพอเขามาไปอินเขามาเฝ้าพราะพูดเจ้าวพูดใจยาวปฏิปิญญ์ก็ถามขึ้นมาคําว่าเป็นสิริเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยเป็นยังไงหนอพระเจ้าข้าที่ว่าคนกล่าวขึ้นมาแล้วก็มีคนคัดค้านบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยผลในสุดมันก็เลยไม่เป็นเอกฉันท์อันไหนหนอที่เป็นเอกฉันท์ที่เป็นมงคลอันสูงสุด พระพุทธเจ้าข่านนี่แหละความเป็นมาของมงคลสาสบแปดนะคณะสัตายาธิโธมลูกหลานพระพุทธองค์ก็บอกว่ากล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเลยว่าอันแรกเลยว่าอาเสวนาจะบาลานังการไม่คบคนผานถ้าเราไปคบคนชั่วคนผานคนผานน่าจะพาไปหาผิดเราก็จะเป็นคนเสียหายเป็นคนโง่เป็นคน ตามมังข่อไปด้วยเพราะเราไปคบคนผ่านคดคบพ บ, ค, บคนไม่ดีนี่แหละให้พวกเราให้เลือกคบอเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชุดูเฉลียวฉลาดผู้มีฮิริโอตตปะผู้ไม่ทําความชั่วไม่ทําผิดศีลวินัยให้มีสัมมาคารวะนี่แหะควรครบบุคคลเชน่นนี้บัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานัง บูชาบุคคลที่ควรบูชานีบุคคลเช่นไรควรบูชาบุคคลที่ไรควรตำหนิเนี่ยบูชาบุคคลที่ดีมีคุณน้ำคัพมีคุณน้พัรน์ทศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละบุคคลที่ควรบูชาแต่บุคคลที่อจิตใจคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไม่ใช่บุคคลที่ควรบูชานีนี่แหละอันนี้แหละคือพวกเราให้ศึกษาทีนี่ มงคมงคล38จนถึงามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตาลาตะสังก้โหให้บิดัดใหป้ปฏิบัติบิดามันดาเป็นมงคลอันสูงสุดให้สงเคาะสามีภรรยาให้อยู่ในกรอบ ข, ขอบเขตของศีลธรรมนี่แหละให้พวกเราศึกษาดูมงคลมงคล3าสบนี่แหละคือความหมายที่เราสวดลง จบลงสักครู่นี้คือเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเป็นมงคลถ้าใครปฏิบัติได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าใครปฏิบัติไม่ได้ตรงข้ามก็เป็นอัปมงคลทําให้ตนเองกิบหายเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ปฏิบัติตาม แนวแถวที่พระ อ, องค์ได้ทรงตรัสเอาไว้อันไหนมันไม่ดีพระ อ, องค์ก็บอกเรื่องสีลห้าสินแปดสินอุโบสถคือสีลแปดให้ปฏิบัติแต่บางท่านก็ได้ถามหลวงพ่อมาบอกว่าถ้าว่าพวกเราไม่ได้มาหาพระไม่ได้มาสนมาสมาทานกับครูบาอาจารย์พระสงค์ เราจะมาเรารักษาศีลแปดในบ้านรักษาศีลห้าในบ้านได้ไหมแล้วก็ภาวนาไปเลยได้ไหมได้บอกอย่างนั้นได้เลยได้เพราะเหตุอะไรหลวงพ่อเคยยกให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังอย่างพระเวทสันดอนท่านหนีไปอยู่ในป่ารงพงไพ่กิลีเขาคิลีวงกฏกับนางมัชีกัญหาชาลีสี่ชีวิต พระองค์ก็ให้นางมัตชีกับกันหาชาลีอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ส่วนพระองค์เป็นบําเพ็ญพรมพมพร ม, มจันทร์เป็นบําเพ็ญพศแต่ที่แรกพระองค์ก็จะออกมาอยู่คนเดียวออกมาในป่าคนเดียวแต่นางมัตชีไม่ยอมขอติดตามพระโพธิสัตว์คือพระเวทชันดร์ออกมาด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันตายก็ตายด้วยกัน ก็เลยออกมาอยู่เมื่อออกมาอยู่แล้วพระเวชชันดอนก็นทำให้เป็นที่พักอีกหลังหนึ่งสําหรับนางมัตชีกับชาลีกันหาชาลีคือผู้ชายกันหาคือน้องหญิงน้องเล็กให้อยู่กับแม่แต่พระเวชชันดรนท่านกันบบอมเพนตะปะของท่านอยู่ตามลําพังแต่อยู่ใกล้กันแต่พระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถคือศีลพรห ม, มจันท์ ปุ้ดพดผมพระจันต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในคู่สามีภรรยาอั น, นี้นะพระเวทันดรกับสมาทานศิลท่านจะไปรับจากพระที่ไหนพระที่ไหนจะไปเอาศิลให้ท่านอยู่ที่นั่นท่านสมาทานเองนี่แหละนี่แหละบอ่อหลุมมครูของพวกเราจากนั้นกันเนี่ยมหาชนกนะที่ลอยที่ว่ายน้ําใน ม, ามหาสมุทร ที่ในหลวงที่ท่าน เ, เขียนเป็นประวัติหรือเป็นทำเป็นเรื่องราวให้พวกเราได้ศึกษาท่านอยู่ในแม่น้ำในกลางมหาสมุทรตกเมื่อเรือตกอยู่ในมหาสมุทรพอพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ก็ตกลงในน้ำทะเลคล้ายๆกับว่าพระองค์ร้อยว่ายน้ำอยู่พอพระอาทิตย์ขึ้นพระจนัะจนทร์ก็ลงพอิิโอ อันนี้คือเป็นวันอุโบสถของเราเอาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแต่ก่อนเมื่อเร า, เ อ, าอยู่ในครเป็นพระเจ้าเผ่นดิอยู่เราก็นี่แหละ เ, เราก็สมาทานศีลอุโบสถทุกวันพระอย่างนี้แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถของเราเราจะต้องสมาทานศี น, นขนาดพระองค์ ทุกอยากลำบากว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรทะเลมองไม่เห็นขอบฝั่งพระองค์ก็ยังสมาทานศีลพระองค์บ้วนน้ำล้างปากให้สะอาดคนที่จะมาสมาทานศีล น, นะศีลแปดเนี่ยนะ ก, นก่อนเที่ยงเราต้องแปลงฟันล้างปากให้สะอาดอย่าให้มีเศษข้าวเศษอาหารเข้าไปในท้องของเราเมื่อล้างปากเสร็จเรียบร้อยแล้วก่นะตั้งใจสมาทานศีล ใน จ, ใจิตใจข้าพเจ้าจะรักษาศินอุโบสถรักษาศินแปดหรือรักษาศินห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวันนี้คราวนี้อันนี้เป็นศินแล้วนนเรียกว่าวิรัจเจตนาการรักษาศินด้วยวิรัจเจตนาอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้เข้าใจในหลักของพุทธศาสนาออกมาจา ก, กจิตใจทั้งหมด แต่ถ้าว่าเรารักษาศีลตั้งจิตตั้งใจวิรัยเจตนาก็จริงอยู่แต่พอนาทีหลังต่อไปไม่รักษาก็ทำผิดศีลจ้ะล่วงละเมิดในศีลของตัวเองไม่เคารพจิ์แปลว่าโกหกตนเองไปตอแหลตนเองไปเป็นเรื่องเรื่องลาลาเป็นวั น, นวันเดือนๆนปีปีไปอันนั้นไราสาระไรประโยชน์แต่ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราต้อง มั่นในตัวเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อต้องซื่อสัตย์ต่อตอนเองต้องมีสัจจะต่อตอนเองนี่แหละเป็นศีลแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องไปรับกับพระแต่ถ้าเมื่อเรารับกับพระก็ดีใคราว่าเป็น พ, ะพระสงฆ์เป็นสขีพยาน เป็นที่เราก็เลยรับจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ศีลเราก็รับเป็นข้อเป็นส่วนหนึ่งคือพระสงฆ์ก็เป็นพยานส่วนตัวของเราก็ตั้งใจสมาทานศีลอันนี้ก็เป็นศีลในตัวของเราเหมือนกันแต่ถ้าถึงจะรับกับพระก็เถอะพอมารับเสร็จแล้วก็ไม่รักษาก็อย่างที่ว่าน ศีลน่นก็ไม่เป็นไม่เป็นศีลอีกเหมือนกันศีลตอแหลอีกเหมือนกันศีลหาความสัจริงไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรารู้ศีล น, นี่คือมาออกมาจากจิตใจออกมาจากเจตนาคือความตั้งใจออกมาจากใจจริงของเราเราจะรักเราจะประกอบคุณงามความดีในคราวนี้ครั้งนี้นั่นแหละก็นัเป็นศีนลละแต่ถ้าบอกพวกเรา ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นก่อนนะแปลว่าโกหกตนเองไม่เป็นสินถึงจะพูดสินสินขนาดไหนก็เถอะไม่เป็นสินอันนี้คือสินแต่เรื่องสมาธิกับหลวงพ่อเคยเล่าเคยพูดให้บอกให้กล่าวให้กับคณะัทธาญาตมทุกทุกท่านทุกๆท่านได้ฟังแต่บางทีเขามาใหม่ก็มีแต่ถึงยังไงก็ตาม เ า, ถ, าถ้าเราใ่ใจในการศึกษาเรียนรู้เราก็ได้ฟังศึกษาไปเรื่อยๆเพราะธรรมะทำคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งมันมีหลายแนวทางแล้วหลายแนวความคิดพวกเราจะนำมาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแต่หลวงพ่อเองก็แนะนำถ้าอยู่ในวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อ ให้ฟังวิทยุนะเนอหลวงพ่อไม่ได้สั่งสอนให้วิทยุฟังวิทยุอย่างอื่นนะไม่ให้ฟังข่าวไม่ให้ฟังร้องรทำทําเพลงให้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านเทศนาว่าการอย่างไรให้เราฟังพอเราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้มาเที่ยวมาเล่นมาเตรมาอยู่วัดวาศาสนาแห่งนี้ทางว่าเราจะมาออกนอกลูก่นอกทางเราจะมาอยู่ทําไม มาอยู่ให้โง่ทาไมเอ่อทำไ ม, เ, ำมเรามาอยู่อย่างงั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกทกท่านนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะแล้วก็ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเมื่อเข้ามาศา์เขามาสู่วัดเราก็ต้องปรับปรุงกายวาจาใจของเราทันทีล่ะเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรมาเลี้ยงยุงใช่ไหมมาทำตนให้ลำบากไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่างนั้นใช่ไหม ร่วมมาอะไรม่เจตนาอะไรแล้วเราจะมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้หรือว่าพ่อแม่บังคับให้มาหรือว่ามาเพื่ออะไรทามาเพื่ออะไรถ้าพ่อแม่บังคับให้มาไม่เป็นไรหลวงพ่อบังคับให้ออกก็ได้ถ้าพวกเราไม่ตั้งใจนะถ้าพวกเราไม่ตั้งใจหลวงพ่อบังคับออกก็ได้เป็นไรเพรพ่อแม่บังคับมาหลวงพ่อบังคับออกก็ได้ไม่เป็นไร แต่พวกเราทางว่าพวกเราเออเข้ามาเพื่อฝึกหัดตัดนิสัยเพื่อจะเป็นพระที่ดีในพระพุทธศาสนาเป็นพระที่ดีของครูบาอาจารย์ของสำนักของหลวงพ่อพอเห็นไหมศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องในมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราจะมาเล่นเล่นเตะๆอย่างนั้นไม่ได้ศรัทธาญาติโยมกับเช่นเดียวกันเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อต้องตั้งใจ แหมพอหลวงพ่อไม่ได้ทําเล่นๆสอนพวกเราสอนให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีหลวงพ่อทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะนั้นพวกลูกหลานพระทุวกวงนะทั้งอกตั้งใจแล้วก็พี่น้องประชาชนจัตไทญาติโยมทุกหมู่เหล่าก็ให้ตั้งใจแล้วก็ให้ภาวนาอย่างที่พุ่งพ่อได้พูดได้แนะนําบอกกล่าว ภาวนานะี่ยนะอย่างพระประธานที่นั่งต่อหน้าพวกเรานะี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นบริกรรมพุทธโธบังคับจิตใจจะให้ทะเลธไลจะให้มันออกนอกลูกนอกทางบังคับใจตัวเองไม่มีอันไหนที่จะดียิ่งกว่าการบังคับใจของตัวเองเข้าสู่หลักธรรมคาสอน ถ้าพวกเราไม่บังคับปล่อยปาลาเลยมันได้อะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันดีไหมการปล่อยปะปล่อยจิตปล่อยใจถ้ามันดีเราจะมาบังคับทําไมเราจะมาอยู่วัดวาศาสานาทําไมถ้ามันดีเพราะมันไม่ดีนะ่ะเราจึงเข้ามาในมามาแล้วก็เรามาฟังฟังแล้วก็บังคับทดลองดูสเิเมื่อเราบังคับนั่นแหะโอ้ใชเ่เหมือนกับเด็กนักเรียน เ, เกิดใหม่ใหญ่ ขึ้นมาแล้วยนะพ่อแม่อยากจะให้ไปเรียนหนังสือโดยมากน้อยมากที่เด็กนักเรียนจะชอบใจในไปเรียนหนังสือวันสองสามวันที่แรกนะโอ้มันเข้าหมูไม่ได้มันไม่อยากจะไปเรียนหนังสือในงอแงแต่พอต่อไปท่านี่พอไปเรียนหลายๆวันเขาติดหมู่ติดเพื่อนแล้วก็ติดในการศึกษาติดในการเรียนนั่นแหละท่นี่เห็นผลประโยชน์เมื่อเห็นผลประโยชน์ในการเรียนกลัวเรียนไม่ทันเขาท่านี่ แล้วก็เห็นเรียนขึ้นมาเออใช่มีความรู้ขึ้นมาขนาดเด็กเด็กนักเรียนก็ติดในการเรียนแท่านั้อยากจะสอบแข่งเขาให้ได้ให้ทันเขาต่อไปก็เด็กนักเรียนก็เป็นเด็กที่ดีได้พอรู้คุณค่าในการเรียนในการศึกษาพวกเราก็เช่นเดียวกันมาใหม่ๆเราปูปรับมาเนี่ยจะนั่งภาวนาเป็นที่พอใจจิตสงบไปเลยนั้นคือเป็น เป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่เคยเป็นลือศีชีภัยมานในอดีตชาติพอนั่งสมาธิเท่านั้นจิตใจมันเด่งเข้าไปสู่ความสงบเลยนั่นแหละอันนั้นคือจิตใจของผู้ที่เคยฝึกฝนมาก่อนแต่โดยมากไม่ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นพวกเข้ามาแล้วก็ต้องฝึกหัดดัดนิสัยบังคับจิตใจให้เข้าหากรรมฐาน ในเมื่อหากรรมฐานท่านพอเห็นคุณค่าเท่านั้นพอเห็นคุณค่าจิตใจของเรากจะเข้าสู่ความสงบถ้ า, าวันเราไม่ได้นั่งภาวนาวันหนึ่งมันขาดเลยมันขาดขาดในการบําเพ็ญภาวนามันเหมือนกับขาดเมือ่อเราทานอาหารแล้วไม่ได้ดื่มน้ําลักษณะนะั้นมันขาดเออมันต้องได้ดื่มน้ําเอมันจึง พ, พอกันเพียงพอกัน ลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันชีวิตของเราทางว่าเราวันหนึ่งเราไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้ทําจิตใจให้สงบไม่ได้บริกรรมไม่ได้ดูจิตใจของตนเองเลยวันหนึ่งหนึ่งนะมันขาดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะไม่หม่ต้องบังคับนะจะให้มันอยากเรียนทีเดียวมันมันไม่ค่อยมีหรอกมันยากมากแต่ถึงยังไงเมื่อเรารู้คุณค่าของ การทำจิตใจให้สงบแล้วจะเกิดประโยชน์กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละการนั้นก็คือการภาวนานการภาวนาก็คือการชําระจิตใจของตนเองให้ดูจิตใจของตนเองมันจะไปที่ไหนมันจะไปทางชั่วหรือจะไปทางดีมันไม่มีอะไรที่จะดูที่จะจะรู้ได้ยิ่งกว่าสติสัมปะชัญญะของเราถ้าเรามีสติสัมปะชัญญะญญในกํากับกับแนว ความนึกคิดของเราอยู่แล้วใจของเราจะไปทางไหนเพราะสติของเราทันมันมันคิดไปทางชั่วล้วก็รู้มันคิดไปในทางที่มันไม่ถูกต้องเราก็รู้มันคิดออกไป น, ะนอกลูนอกทางไม่ไปตามหลักพระธรรมวินยัยออกนอกรูนอ ก, นอกทางแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนออกไปเราก็รู้นะมันรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตามดู ดูจิตดูใจของพวกเราแต่ละวันทำจิตใจให้สงบการมาอยู่วัดวาศาสนาในพรรษานี้นะเข้ามาปฏิบัติธรรมในพรรษานี้สามเดือนสาม1 2วันถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจนน่งจิตใจรวมเข้าไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจจิตใจ เป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตใจรวมมองเห็นกายของตนเองกายกับใจใจกับกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนามธรรมนามธรรมคือร่างกายรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจอนามมะคือมองไม่เห็นรูปคือมองเห็นรูปธรรมคือมองเห็นนามคือมองไม่เห็น แต่มันอยู่ด้วยกันสมาธิเท่านั้นแหะจะมองเห็นนามธรรมได้เห็นตัวเองได้พอเรานั่งเข้าไปมองเห็นตัวเองนามธรร ม, มจิตใจแต่หลักของพุทธศาสนาที่หลวงพอ่อย้ำเน้นอีกว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของนามธรรมมากกว่ารูปธรรมรูปธรรมเป็นที่สองนามธรรมเป็นที่หนึ่ง แต่โลกของเราโลกทั้งโหลกเขาให้ความสำคัญเรื่องรูปประธรรมมากกว่านามรธรรมถ้าเห็นเป็นรูปประธรรมขึ้นมาลนะโลกทั้งหลายยอมรับกันทัวนนาแต่ความคิดของคนนะยังไม่เมื่อคิดใครคิดไปยังกัคิดไปเถอะนะแต่ถ้ายังไม่เป็นรูปประธรรมออกมานะยังไม่ยอมรับกันแต่ในหลักของพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อท่านได้ตัดสรู้แล้วนะพระสงฆ์องค์ไหนได้ตัดสรูนะ้เนี่ยท่านจะรู้ด้วยญาณทัศนะของพระองค์ท่านรู้เข้าไปในใจเลยพระองค์เนี่ยนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระสงฆ์องค์อื่นจะโจทดขานในพระวินัยว่าพระองค์นี้ทําไม่ดีอย่างงุ่นอย่างนี้อแต่พระองค์นั้นก็บอกว่าใช่ผมไม่มีอะไรบริสุทธิ์แล้วจบแล้วผม ไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าใช่ฐานเขาเป็นพระที่บริสุทธิ์แล้วแปว่าถึงยังไงพระที่บริสุทธิ์เนี่ยจะไม่คิดทําความชั่วโดยเจตนาโดยเด็ดขาดเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วบางทีอา จ, จิพลั้งเผลอไปบ้างตามกิริยามารยาทอันนั้นมีอยู่แต่ไม่มีเจตนาที่จะทําความชั่วเสียหายแม้แต่น้อยเดียวอันนั้นคือพระหัน์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วพระพุทธเจ้า รับรองรับประกันได้ทางกายทางวาจาทางใจของพระ อ, องค์ที่เป็นท่านเป็นผู้บริสุทธิธ์คือพระหัน์นะนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ในหลักของพทุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจคือนามรธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรม แต่เมื่อ น, มนำมาทาดีแล้วการแสดงออกทางกายก็ดีการพูดออกทางวาจาก็ดีไปเป็นแนวแถวที่ว่าไม่เป็นพิษภัยถ้าเป็นพิษภัยกับพิษภัยต่อกิเลสเท่านั้งกิเลสมันชอบอย่างนั้นกิเลสทั้งนอกชอบนแต่ผู้บริสุทธิ์ท่านบอกมันไม่ถูกนะอย่างนั้นนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายชอบในความความสวยงาม ความเสร็จความสวยความงามแต่ธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายสังขารเต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูลนะไ ม, ไม่จะสวยงามได้ที่ไหนดูให้ดีหนังของเราเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำา น, เนงงุเป็นยังไงกินเหม็นขึ้นมาใช่ไหมถ้าว่าถ้าไม่อาบน้ำเป็นยังไงกินเหม็นใช่ไหมใช่ต้องอาบน้ำชำระมันทุกปีทุกวัน มันจึงจะพอดูได้ใช่ไหมใช่นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เห็นตามความเป็นจริงนะแต่โลกทั้งโลกเสกส น, กนี่ยเสกสรรกันเสกสรรอุปโลกกันจะทำยังไงนี่แหละว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำทำคำสอนของพุทธศาสนาทว่าทวนกระแสโลกไม่ไปตามกระแสคื อ, คอโลกเขาต้องการ โลกเขาต้องการอย่างหนึ่งแต่ธรรมนี่ยเพกอีกอย่างหนึ่งอย่างโลกว่าสวยงามแต่ธรรมบอกว่าอสุภะอย่างนี้แหละไม่ว่ามันทวนได้ไม่ไม่ว่ามันท ว, ว, วนจะว่าอย่างไรใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราผู้มาศึกษาธรรมะรึกศึกษาตามความจริงตามความเป็นจริงอย่างไรธรรมะต้องพูดตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาดูนะวันนี้หลวงพ่อได้พูด เอาเพียงแค่นี้ก่อนตอนนี้ไปนั่งสมาธินะ่านนี้นะเดี๋ยวพระสงฆ์ครูบาท่านจะเอา MP3 สมาเปิดให้ฟัง